219 วิสาขาวัตถุว่าด้วยนางวิสาขา อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในนั้นครั้งนั้นนางวิสาขามิกขรมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค นางวิสาขามิคารมาตาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้ พระผู้มีพระมิขารมาตาทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะ ภิกษุทั้งหลายฝนตกในเฉตวันฉันใดตกในทวีปทั้ง 4 ก็ฉันนั้นพวกเธอจงสงสนานกายด้วยน้ํามิคารมาตา สั่งให้คนเตรียมของเขียวของฉันอันประณีตแล้วสั่งสาวใช้ว่าไปเถิดแม่ จึงได้กล่าวดังนี้ว่าไปหานางวิสาขามิคารมาตาได้กล่าวดังนี้ว่า จึงเข้าใจว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวคกําลังฉนันกายด้วยน้ํา นางทาสีนั้นไปสู่อารามไม่พบพวกภิกษุเข้าใจว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าจึงกลับไปหา พระคุณเจ้าคงจะชำระร่างกายจนหนาวแล้วนุ่งผ้าเรียบร้อยต่างถើ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า หรือคู่แขนที่เหียดประทับนั่งบนพระพุทธอาสน์ที่เขาปูไว้พร้อมด้วยมากทรงมีไป แถวหรือจีวรของภิกษุสักรูปเดียวก็ไม่เปียก 8 ตถาคตทั้งหลายเรียกให้พรเสียแล้ววิสาขานางวิสาขากราบทูลว่าหม่อมฉันเรื่องนางวิสาขาขอพรเพื่อถวาย ถวายอคันตุฆพัตถวายคมิกกพัตถวายกีฬานพัตถวายกีฬานุปัฏฐกพัตถวายกีฬานเภสัตรถวายทุวะยาคูแก่พระสมและถวาย พระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ม่อมฉันสั่งสาวใช้ไปว่าไปเถิดแม่ จึงกลับเข้ามาหาหม่อมฉันบอกดังนี้ ไม่รู้จักที่โคจรบินทบาตลําบากภิกษุอคันตุคะนั้นฉันอคันตุคะพัดของหม่อมฉันแล้วพอชํานาญทางรู้จักที่โคจรจะเที่ยวบินทบาตได้ไม่ลําบากหม่อมฉัน 3 อีกอย่างหนึ่งภิกษุ จะพลาดจากหมู่เกลนหรือถึงที่ที่ตนจะไป เมื่อภิกษุไข้ไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัปปายะอาพาธจะ เมื่อแสวงหาภัตตาหารเพื่อตนเองจะนําภัตตาหาร อีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุไข้ไม่ได้เพศศาสตที่เป็นสัปายะ จึงได้ทรงอนุญาตข้าวต้มไว้ที่เมืองอันธกวินทะหม่อม พวกท่านอย่างเป็นสาวจะประพฤติพรหมจรรย์ไปทําไมกันธรรมดามนุษย์ควรบริโภคกามิใช่ เมื่อชั้นเห็นอํานาจวิสาขาเธอเห็นอนิสงส์อะไรจึงขอพร แล้วจะเดินทางมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระสกทาคามิผลอนาคามิผลหรือ หม่อมฉันจะเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วถามว่าพระคุณเจ้า หรือทุวะยาคูของหม่อมฉันเป็นแน่เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิด พระพุทธเจ้าดีละดีละวิสาขาเป็นการดีแล้วที่เธอเห็นอนิสงส์นี้จึงขอพร 8 ประการกับตถาคตวิสาขาเราอนุญาตพร สตรีใดเมื่อให้ข้าวและน้ำก็เบิกบานใจมีศีลเป็น ย่อมปลื้มใจในชาวสวรรค์ตลอดมิคารมาตาด้วยพระคถาเหล่า คามิกภัคกีฬานภัคคีฬานุปัฏฐกภัคคีฬานเภสัชทุวะยาคูและผ้าอาบ นิสีธนาธิอนุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ารองนั่งเป็นต้น พระผู้มีพระภาคทรงมีท่านพระอานนท์ตามเสด็จเสด็จจารึกไปตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะ น้ำอสุจิออกมาเพราะความฝันเสนาสนะนี้จึงเปื้อนน้ำขาสติสัมปชัญญะน้ำอสุจิย่อมออกมาเพราะความ อานนท์น้ำอสุจิแม่ของปุถุชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกามย่อมไม่ออกมา เที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะได้เห็นเสนาสนะเปื้อนน้ําอสุจิว่าอานนท์เสนาสนะนั้นเปื้อนอะไรอานนท์ตอบว่าเวลานี้ภิกษุ เรากล่าวรับรองว่าอย่างนั้นแหละอานนท์อย่างนั้นแหละอานนท์เพราะเมื่อภิกษุเหล่านั้นจำวัดหลับขาสติสัมปชัญญะอานนท์น้ำอสุจิมาเพราะ ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่โอกาส 5 อย่างภิกษุทั้งหลาย 5 อย่าง 1 หลับ 2 ตื่น 3 เห็น 4 เทวดา 5 ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายภิกษุที่จำวัดหลับขาติสติสัมปชัญญะ 1 หลับ 2 ตื่น 3 ไม่ 5 น้ำภิกษุทั้งหลายไม่เคลื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่จำวัดหลับมีสติตั้งมั่นมี ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ เอาน้ำชุบผ้าเหล่านั้นแล้วค่อยๆดึงออกมาพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริไปตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นกําลังเอา พวกข้าค่อยๆดึงออกพระพุทธเจ้าค่ะลําดับนั้นพระผู้มีพระเรื่องนี้ ถือผ้าเช็ดปากเข้าไป เราจะให้อาหารแก้วกล้าปลอบชโลม พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมปฐานั้นมัลละกษัตริย์ ท่านพระอานนท์เองก็มีความต้องการผ้าเปลือกมะไกเก่าภิกษุ ห้ารู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้ว 5 อย่างนี้ถือเรื่องตรายจีวรบริบูรณ์สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมี พระผู้มีพระภาครับเราอนุญาตผ้าบริขาร 221 ปัจฉิมวิกัปปนุปคคชีวราธิกถาว่าด้วยผ้าที่ต้องวิกัปเป็นอย่างต่ําเป็น ผ้าอาบน้ําฝนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนผ้าปิดฝี ให้อธิษฐานผ้าอาบน้ำฝนตลอด 4 เรื่องจีวรมีขนาด เรื่องอุตราสงที่ทําจากผ้าหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ เรื่องแผ่นสังคาติลุยออกแผ่นสังฆาติลุ่ยออกสมัยนั้นแผ่นสังฆาติลุ่ยออก ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไป เราอนุญาตผ้าที่ไม่เรื่องผ้าเพราะผ้าที่ไม่ตัด 2 ผืนที่เพราะภิกษุ รูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎทรงอนุญาตให้พระ เมื่อภิกษุให้ด้วยกล่าวว่าเป็นมารดาบิดาเราจะว่าอะไรภิกษุทั้งหลาย ครองอุตราสงฆ์กับอันตรวาสกเข้าไปบิณฑบาตในท่านทําไมท่านจึงใช้ผ้าเก่าครองจีวรเศร้าหมอง แล้วครองอุตราสงฆ์กับอันตรวาสกเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้าน รูปใดเข้าไปต้องอาบัติทุกกฎเรื่องท่านพระอานนท์เผลอสติ ทำไมท่านจึงมีเพียงอุตราสงค์ พระผู้มีพระภาคทรงคือ 1 เป็นไข้เปเป 2 เป็นฤดู เฮจำเป็นเพื่อเก็บสังฆาติมี hey, อย hey, อย 5 hey, อย่างนี้แลภิกษุ เหตุจําเป็นเพื่อเก็บอันตระวาสกมี hey, 5 อย่างคือ 1 เป็นไข้ 2 สังเกตเห็นว่าฝนจะตก 3 ไปสู่ฝั่งแม่มี 5 ได้กลางกฐินแล้วภิกษุ เสวิหารมีกุญแจคุมแน่น 5 ผ้าอาบน้ํา 5 อย่าง 222 สังคิคะจีวรุปาทกถาว่า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาผู้เดียวคนทั้งว่าพวกขอถวายแด่สงฆ์ต่อมาขอถวายแด่สงฆ์ อย่ากรณีนั้นเลยเราพึงนําจีวรของภิกษุจีวรเหล่าภิกษุทั้งหลายเป็น คนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายเราขอถวายแผ่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่ ลำดับนั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมี 4 รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์แต่เรา ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบ เราอนุญาตให้ภิกษุนั้นอธิษฐานจีวรเหล่านั้น <of> <Mine> <mother> <worship> <ness> แต่เมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังนั้นและจับสลากเสร็จแล้วมีภิกษุรูปอื่นมาภิกษุไม่ต้องการก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งเรื่องพระเถระพี่น้องสมัยนั้นมีพระเถระ 2 พี่น้องคือท่านพระอิสิธาสะและท่านพระ นานๆพระเถระทั้งหลายจีวรภิกษุทั้งหลายผู้ว่าท่านขอรับจีวรของสงฆ์เหล่านี้เกิดว่าท่านทั้งหลาย จีวรเหล่านั้นเป็นของพวกท่านเท่านั้นจนถึงคราวเดาะกฐินเรื่อง ฝึกสูมี 4 รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงแต่พวกคือท่านพระนีลวาสีท่านพระศาสนวาสีท่านพระ อยู่ในกุฏตาราม 3 รูปนั้นได้เดินทางไปกรุงปาฏลีบุตรแล้วสอบ 222 อุปนันทะ ว่าด้วยพระอุปนันทะสาคยบุตรเรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาแล้วไปท่านพระ ท่านจะยินดีส่วนแบ่งไหมท่านพระอุปนันทะตอบว่าท่านทั้งหลายผมขอยินดี ท่านพระอุปนันทะตอบว่าท่านทั้งหลายผมขอยินดีส่วนแบ่งด้วยได้รับส่วน ผมจำพรรษาอยู่ในกรุงท่านพวกภิกษุจะแบ่งจีวร เดินทางไปอาวาสอื่นแม้พวกภิกษุในอาวาสอื่นท่านพวกภิกษุจะแบ่งจีวร แม้พวกภิกษุในอาวาสอื่นนั้นประสงค์จะของสงฆ์เหล่านี้ท่านจะยินดีส่วนแบ่งไหมผมตอบว่าท่าน ท่านอุปนันทะท่านจำพรรษาในวัดหนึ่งแล้วยังยินดีสวน พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุปนันทะทราบ มิได้ทําให้คนที่ยังไม่เลื่อมว่าภิกษุภิกษุจําพรรษาในวัดหนึ่งแล้วไม่พึงยินดีส่วนจีวร จำพรรษาอยู่ใน 2 อาวาสเพราะคิดว่าด้วยอุบายนี้ชีวรจะเกิด พวกเธอจงให้ตามความประสงค์ส่วน 2 อารวาสเพราะคิดว่าด้วยอุบายนี้จีวรจะเกิดขึ้น